ความจเจริญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ระบบโพติยานกำลังนําเสนอเรื่องสามาสังกัปปะในข้อที่เรียกว่าอาวิหิงสาสังกัปปะคือความดํารดิในการไม่เบียดเบียนใครจุดแตกต่างระหว่างพยาบาทกับอวิหิงสาคือความเบียดเบียนเนี่ยคือความพยาบาทตามปกติแล้วเราจะถูกกระทบกระท่าน ือเขาประทุษล้ายเราในลักษณะไหนลักษณะหนอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราไม่พอใจแล้วก็ปลุกใจเจ็บเอาไว้ม า, า จ, จะเป็นผูก้โกรธอาจจะเป็นความโกรธอาจจะเป็นอาฆาตแล้วก็กลายมาเป็นพยาบาทต้องการอยู่นึกจุดนึกเป็นรูปของการต้องการจะแก้แค้นต้องการจะทำลายล้างให้หรุนแรงมากกว่า ก็ว่าว่าวิหงษานั่นเป็นลักษณะ ส, สัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกซึ่งเราดูสังเกตอาการนะมันจะมีอาการหลักอยู่สองประการประการหนึ่งคือความเบียดเบียนประทุษรายกันเป็นภาพของปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเพรีมือยาวสาวได้สาวอา่งเราสามารถจะมอง จะพื้นที่ในป่าในน้ำในทะเลก็จะเห็นการเดียเดเบียนกระจายกันของรรสัปสัดทั้งหลายแม้แต่ในร่างกายเราถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือในการตรวจสอบก็จะเห็นว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกพยาธทั้งหลายกับภูมิต้านทานโรคที่นี้ อีกแนวหนึ่งเนี่ยคือความริษยาจะเห็นคน ด, นดีเด่นดังขึ้นมาไม่ได้ก็จะเกิดความริษยาเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ค่อนข้างทาวรแก้ไขา ย, ยากประชสัมน์โลกจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเราลองนึกดูสมมติฐานนะฮะตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาดูว่า สมรุรจยสร้างอาณาจักรขึ้นมาย่อมย่อมนะฮะจากบ้านก็ได้เป็นวัดก็ได้แต่ละควรมุ่งบรรเทาความคิดเบียดเดียนกับความคิดริษยาการอยู่ร่วมกันไปในครอบครัวภายในวัดวารามภายในสังคมเหล่านั้นก็จะสงบสุขตัวเราเพื่งจะมีลักษณะาลาำปามเรามองดูตัวอย่าง เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราตลอดทั้งในโลกปรากฏเป็นรประวัติศาสตร์ปรากฏเป็นวรรณคดีที่จำลองประวัติศาสตร์ออกมาเราเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากกระแสความคิดสองกระแสเนี่ยคือกระแสที่เบียดเบียนกันแล้วกระแสที่ริษยากัน แต่ตามปกติแล้วคนที่เราดิษหยานั้นเรามักจะไม่ชอบแต่ว่าการพิกแพลงของจิตนี่มันมันสลับซับซ้อนมากคือบางทีเราไปชอบในสิ่งที่เขาชอบไปชอบในสิ่งที่เขาครอบครองคือเขาเองไม่มีปัญหาหรอกแต่เราไปต้องการสิ่งที่เขาครอบครองเราเกิดดิษยาในตัวผู้ครอบครอง ก็ทรงมาสัมมวนจีนที่ใช้คำว่าคนไม่ผิดหรอกผิดที่มียกติดตัวตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนั้นก็คือเรื่องรามายณะหรือเรื่องรามาเกียรติเรามองดูตั้งเหตุการณ์สองช่วงใหญ่ๆในช่วงแรกคือตอนที่ท้าวทศรถต้องการจะให้พระรามเป็นกษัตริย์ขรงอโยธยาสืบต่อจากพระองค์ การสลับซับซ้อนของจิตใจนางกายเกศีก็ถือว่าเป็นแม่ที่ดีแต่ด้แรงวิ์ยาเนี่ยแล้วก็ถูกเพื่ อ, อยุมาจากจิงข้อมซึ่งไม่พอใจพระรามที่ยิงหลังของเธอจนหายค้อมแล้วก็ทาให้ค้อมอีกเธอกว่าคาดพยาบาทว่าลูล้ความแปรเปลี่ยนของกิเลส มันเกิดจากความอาคาดปยาิบาัติแต่ว่าจะทำอะไรไปตามลำพังตัวเองก็ทำไม่ได้เลก็หาแนว่วมคือหาพวกที่ตัวเองจะสามารถใช้เป็นเครื่งองมือก็หาเง่นมุมในด้านต่างๆก็นที่สุดก็ได้นางไกยเกษีซึ่งท่านจะเป็นแม่ที่รักลูกทั้งสี่องค์เหมือนกันก็ตามแหละแต่เอาก็จริงมันก็รักกระพริบมากกว่า แล้วก็ท่านเหล่านี้ก็ที่จริงก็คลอดห่างกันเป็นนาทีไม่จะห่างกันมากมายไดนะ้นักหนาคือถือว่าใครเป็นพี่ก็ยังได้ก็ในที่สุดก็นางกายเกศีถูกยวยุลอดด่อโดยผลประโยชน์ต่างๆถูกค่มคู่ให้กลัวหวาดระแวงในพระรามแล้วก็ออกมาเป็นการขอราชสมบัติให้พระพรครองธานี เราเห็นว่าตัว น, ตนี้มันเกิดมาจากแรงนิสยาแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่สร้างเป็นกระบวกนการมาโดยนางกายเกษีโดยหญิงค่อมนะฮะโดยหญิงค่อมก็แสดงถึงว่าภายในจุดภายในจิต ใ, ใจของนางกายเกษีเองก็มีพื้นฐานนิสยาอ ย, ยู่สูงและสุดก็ออกมาจะเป็นในพระรามพรลักษณ์นางสีดาต้องเข้าไปอยูปป่ป่า กำหนดไว้สิบี่ปีทีนี้็หากพระปอยสามท่านท่านอยู่กันในป่าเป็นดาบทประพฤติพรตพรมจันทรย์อยู่ในป่าก็มีความสงบตามสมควรเต่เกิดนางสมณขาไปฤทธิ์สยานางศีดาที่มีผัวหลอก็ต้องการจะครอบครองพระรามใส่เองแต่ว่าก็สู้ฤทธิ์พระลักษม่ได้ แล้วก็ริ่มรวมกัหาแนวรุ่งคือไปหาทศกัณฐ์พี่ชายแล้วก็เล่าถึงความสวยงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ทราบจนเคลิบเคลิ้มลหลงไหลคลั่งคล้ายจินตนาการอานางส ม, มนัขาเป็นนางสีดาทีเดียวเพราะ ว, วิธีการพูดของเธอนี่ไม่เบาแล้วในที่สุดทศกัณฐ์ก็กลายเป็นแนวร่วม ทางที่ตัวเองอยังไม่เห็นชัดเจนนะฮะว่านางสีดารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถูกปลุกเร้าจิตใจก่อนในที่สุดก็กลายเป็นริยาพระรามที่มีผัวที่มีเมียงามเลยต้องการจะครอบครองเสเองเราสังเกตนะฮะ เ, เดิมทีเดียวไม่มีใครโกรธเคืองใครแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเพียงแต่ว่าไปต้องการสิ่งที่ ค, ครอบครองคือนางสมาขาก็ต้องการพ ร, รามซึ่งนางสีดา ค, ครอบครองเป็นสามีอยู่ ทสกัณ์ก็ต้องการนางศีดาซึ่งพระรามครอบครองเป็นปัญญาอยู่เป็นไม้เสีอยู่ในสุดก็ถูกดึงเข้าเป็นแนวร่วมก็กลายเป็นศึกสงครามทีนี้ถ้าเรามองเหตุการณ์บ้านเมืองเราแม้แต่การต่อสู้กระแสต่างๆในายในบ้านเมืองหรือว่าบ้านเมืองข้างนอกกล า, ายบ้านเราก็มีลักษณะอย่างนั้นบนแนวการวิยาเนี่ยกับแนวเบียดเบียนเนี่ยมันเป็นปนัญหาใหญ่มาก แล้วก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกพเรามองดูสัตว์โลกเนี่ยมันก็มีการริษยามีการเบียดเบียนกันนะเช่นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งไปครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกตัวอื่นก็จะริษยาแล้วก็ไปแย่งภาพเหล่านี้เป็นภาพซ้ำซากในโลกมนุษย์คือเจอได้ทุกวัน เพราะปัญหาสาคัญมันอยู่ที่ความคิดของคนว่าคุณจะคิดยังไงในที่นี้ที่ถือว่าเป็นสมมาสังกัปปะก็คือคิดในทางที่จะไม่เดียดเลียนหมายความว่าพื้นฐานการมองสรรพสัตว์ของคนผู้เนี้จะต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยอมรับนับถือสถานภาพของกันอะกันแล้วเคารพจิตชิของการอะไกัน การเบียดเบียนก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทะาแรงกระแทกมากๆก็เอาไปอยู่พึ่งกันนะนะความคิดขนาดเนี้ยเอามาอยู่เพืองกันเพราะว่ากิเลสเนี่ยเขามีความสืบเนื่องถึงกันทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเนะฮะเปะ็นการเบียดเบียนกันที่จริงเป็นอาการของหลงแล้วก็อาจจะโลภหรืออาจจะโกรธนะผสมแต่ว่าหลงนี่เป็นตัว ก, การใหญ่ ตนก็สอนให้ทำใจให้กรอบด้วยกรุณาในสรรพสัจแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลในอุดมคติหลักพระพุทธศาสนาท้านผู้ฟังลองมองย้อนกลับไปชี่โอวาทปาติโมกซึ่งถือว่าเป็นธรรมะระดับแกนนำนะฮะคือเป็นการอธิบายทั้งมรรคสัจแล้วก็มี ร, รูสัจ ก็พูดถึงธรรมะที่เป็นอุดมการอุดมคติแล้วก็ผลระดับอุดมคติบุคคลระดับอุดมคติหมายความว่าเป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาข้อแรกก็คือขันตีปรามังตะโปติติขาความอดกลั้งหรือความทนทานในเป็นตะบะอย่างยอดเยี่ยม แล้วก็สองนิพานังป ร, รมังวดันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมทีนี้จากผลของการมีขันติและปฏิบัติไปจนบรรลุนิพพานเนี่ยมันเข้าสร้างบุคค ล, ละระดับอุดมการให้ก็คือที่ว่านาิปพจิโตป ร, รุปคาติสมโนโตรรหติปรังเวทิยันโตผู้ฆาสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรญชิตไม่ชื่อว่าสมณนะ เพราะตรงนี้ลองสังเกตว่าจะพูดระดับการงดเว้นมดเว้นซึ่งก็หมายความว่าถ้าจิตคิดงดเว้นได้หมายความว่าจิตมีศีลเกิดขึ้นภายในอาการพูดอาการทำมันก็เป็นศีลไปโดยธรรมชาติแต่ว่าอาวิหิงสาตรงนี้มันมีปัญญาเข้ากำกับ มีการงองชีวิตอย่างมีเหตุมีผลอย่างที่ท่านเล่าถึงประสบคนหนึ่งช่วยจักกะแม่ของท่านป่วยหนักก็ไปหาหมอมารักษาหมอบอกว่าโอสถที่ปรุงเพื่อรักษาแม่เนี่ยจะต้องผสมเลือด ก, กระต่ายสด ก็บ้านอยู่ใกล้ป่ากระต่ายมันก็เยอะพี่ชายก็บอกให้น้องชายไปจับกระต่ายก็จับได้อะนะกระต่ายมันเยอะเจ่กระต่ายมันร้องดิ้นรนความหวาดกลัวแสดงความหวาดกลัวแกก็เกิดความคิดเนี่ยว่ากระต่ายเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกลเราก็มีพ่อมีแม่มีลูก การที่เอาชีวิตของคนอื่นเอาลูกคนอื่นเอาพันยาคนอื่นเอาสามีคนอื่นเนี่ยมาแลกกับชีวิตแม่เราเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตอนถ้าก็ตัดสินใจว่าแม่จะหายหรือไม่หายเนี่ยมันไม่ควรจะเพิ่มคนตายถ้าแม่จะตายแม่ก็ควรจะตายตายคนเดียว คือไม่ควรเพริ่มสัตว์อื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมาให้ร่วมตายด้วยแต่แล้วเธอก็ปล่อยกระต่ายกลับไปบ้านไปเล่าความคิดให้พี่ชายฟังแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานหมอคงรักษาไปโดยปกติโดยไม่ใช้กษายาที่ละลายด้วยเลือด ก, กระต่ายแล้วก็จบลงด้วยที่แม่ก็หายนะ นี่ก็แสดงเห็นว่าความคิดครั้งแรกเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวปัญญามันไม่เกิดแต่พอจับกระต่ายและกระต่ายมันดิ้นและกระต่ายที่หนีไปก็แสดงความห่วงใหญ่กระต่ายที่ถูกจับมันก็แยกไม่ออกแล้วว่าตัวไหนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้คิดถึงครอบครัว แล้วก็ตาย ก, ก็มีครอบครัวเราก็มีครอบครัวเราก็เห็นแก่ครอบครัวของเราจนถึงการจับจัดอื่นเพื่อจะเลือดมาเป็นกระสาญานะมันไม่ยุติธรรมแม่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นในที่สุดมันก็งดเว้นจากการเบียดเบียนเพราะลักษณะของกรุณณาท่านจึงบอกว่า มีความต้องการบำบัดความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นนั้นมันเกิดขึ้นแล้วใครใครก็ได้ตามปกติเป็นเรื่องที่ทำยากแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีจิตใจดีพอเนี่ยสัตว์โลกมันชอบเบียดเบียนเนี่ยที่บอกคือมันสะใจมันมันที่จะเห็นคนอื่นประสบความพิบัติเกือดราอท มีเยอะกิจกรรมต่างๆการเล่นต่างๆไม่แต่กีลงกีฬาอะไรต่อใดเนี่ยเราสังเกตว่าที่จริงหาเรื่องเพิ่มบาปไปเกลียดใจตัวเองเช่าคนไปดูมวยเนี่ยมันก็ดูได้โลภะมัวหันว่าที่จริงเขาก็ไม่ได้ต่อกันจริงกันต่อมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของเขาแต่นั้นเองอาชีพหาเงินแต่ว่าเราก็ไปถือฝวยได้แขวหนึน่งหวยแดงหรือหวยนาเงิน ติเราถือฝ่ายน้ำเงินเนี่ยแสดงว่าเราเกิดโลภะคืออยากให้ฝ่ายน้ำเงินชนะแล้ว เ, เกิดโทสะในฝ่ายแดงที่เราไม่รู้จักเลยนะแต่มันเกิดขึ้นมาได้โดยแรงของ ก, กิเลสนนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าฝ่ายที่เราถือเนี่ยมันต่อยได้ดีเราก็เชียร์ใหญ่แล้วเชียร์จนจ น, จนสภาพจิตมันเปลี่ยน เอามันเลยต่อยมันให้ตายนกมันเลยอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะดูภาพดูเสียงดูหน้าตาของคนที่ดูมวยในขณะนั้นนั่นนะพิจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเขาเองเขาไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวไปคือยังเคยตั้งข้อสังเกตว่าพวกที่เป็นนัดถ่ายภาพะนะคือน่าจะไปถ่ายเป็นภาพประยนตนเอาไว้คือแทนที่จะ คงกับคนไก่คนจะเล่นการพนันคนจะต่อยมวยคนจะดูบอลคนจะดูแบดมินตันะอะไรอะไรเราเราไม่ถ่ายนะักกีฬาดูคนนะถ่ายคนกคนมนี่ยคือตัวจริงอารมณ์จริงๆรที่กาแสดงออกมาแต่ผู้เล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกีฬาเขาก็รู้แพ้รู้ชนะแต่ก็พยายามอยาชนะเท่านั้น เราจะเห็นอารมณ์ของสัตว์โลกว่ามันแสดงออกมาด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะสมมติว่างวยฝ่ายที่เราเชียร์แล้วเกิดต่อยไม่ดีล้วจะเกิดโทสะเลยเกิดโทสะจนถึงกับว่าเปลี่ยนอาจจะไปเชียร์อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราเคยโทสะมาก่อนเดี่ยให้ไปต่อยฝ่ายที่เราโลภะมาก่อนเพราะจิตใจจึงไม่สงบและจิตเหล่านี้สมมุติว่า เ, าเกิดช็อกตายกันไปเนี่ย มันมีโอกาสที่ตกนรกได้นะประจิตมันขูน ม, มากเลยดังนั้นการคิดในแนวที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยพื้นจิตจึงต้องมองเพื่อนมนุษย์โดยความอย่างน้อยก็เป็นมิตรยอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยก็เป็นมิตรคือมองโดยพื้นฐานของเมตตาแล้วพอเห็นเขาประสบความทุกข์เราก็ทนรู้ไปไดนะ้ต้องการจะมีส่วนร่วมต้องการจะมีส่วนแบ่งต้องการจะ เข้าไปบรรเทาความทุกข์ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเราจะซ้ําเติมเขานะเคอตั้งปัญหาถามคือสร้างสถ า, านการณ์จําลองขึ้นมาเฉยๆนะฮไม่ใช่เรื่องจริงบอกว่าสมมติว่าเพื่อนเราเดินกันไปสามคนไปห้าคนเพื่อนคนหนึ่งก็โอกล้มพลาดลงไปอย่างเหลือสี่คนเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็วิ่งกันไปช่วยประคองเพื่อน เพื่อนคนหนึ่งยืมดูเฉยๆ่อค น, นหนึ่งหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งด่าส่งเลยถามว่าในสี่คนเนี้ใครปฏิบัติถูกต้องในกรณีนี้เราจะว่าคนที่วิ่งเข้าไปช่วยประคองเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องมันเป็นกรุณาในกรณีเนี้ยคือกรณากรณีที่ต้องการการุณาแล้วก็เปลี่ยนใหม่บอกเอาคนห้าคนเนี่ยเดินไปด้วยกันคนหนึ่งไปฉกกระเป๋าของแม่ค้า สตางค์กระเป๋าสตางค์แม่ค้าแล้ววิ่งหนีตำรวจก็ไล่จับเพื่อนก็วิ่งตามไปช่วยคนหนึ่งก็ยืนนดูเฉยๆคนหนึ่งก็หัวเราะคนหนึ่งก็ด่าส่งโดยเหมือนเดิมดถามว่าในกรณีเนี้ยไอ้สีคนเนี้ใครมีใครไม่มีทำไมเราเจนว่าคนไม่ยินเฉยๆนี่ยมีธรรมะคนหัวเราะก็นอกเรื่องคนด่าท่งก็ไปดา่าก็ทําอะไรนะคนที่ไปช่วยนี่ก็หาเรื่อง ถ้าคนยืนดูนเฉยๆเนี่ยเวลานี้มันเป็นเรื่องต้องต้องอุเบกขาคือเป็นไปตรมกรรมของเขาเพื่อนเราก็เพื่อนเรานะฮะก็ทําอันตรายกขาเองแต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่คือกรณีที่เขาประสบปัญหาเนี่ยเราจะต้องไม่ไปซ้ำเติมเขาคือไม่เด็ดเบียนมีการไม่เด็ดเบียนเป็นผลที่ปรากฏในกรณีที่ที่คนเหล่านั้นแม้เราจะเกลียดเขาเนี่นะ แต่ถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเราควรจะเลิกเกลียดเลยอย่างน้อยก็ปรารถนาที่จะเห็นเ้าหลุดพ้นจากภายัยจากอันตรายจากความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่แต่ช่วยเหลือลคนขวายได้ก็ดีแต่ช่วยเหลือลคนขวายไม่ได้ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราสร้างความรู้สึกดังกล่าวขึ้นแล้วก็พอเหินสัตว์ที่ประสบภัยอันตรายโดยเฉพาะคนที่ไม่มีที่พึ่งนะ แต่ภาพเหล่านี้บางทีเนี่ยนานแล้วก่อนบวชนะนะก่อนบวชตอนนั้นก็ยังอยู่ในวัยรุ่นไปนเดินในตลาด่เห็นขอทานก็เป็นลุมเราตกใจเราก็เข้าไปอุ้มเขาแล้วก็เอามาเอาจะดมให้ดมฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้จะตั้งกันไปคนมงดูมุงดูไม่รู้หมายความเปยังไงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นึกถึงภาพตัวนี้ว่า เขามึงดูป่ออะไรเราก็เห็นว่าเราก็ไม่รู้จักหรอกขอทานล้วก็มองแมมสรง ก, ก็ปลกเนี่ยแต่แกเป็นลมนะฮะเป็นลมล้มลงในกลางตลาดแต่คนเยอะเยือยไปแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยก็ถือว่าแปลกแต่เราก็เป็นเด็กหนุม่มอายุสิบแปดิบเก้าตันเงตอนั้นก็เกิดสงสารขึ้นมาแล้วข้าไปช่วย ก็ถือว่าช่วยเท่นั้นเนี่ยก็เท่าที่เราช่วยได้เพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้บางคนเนี่ยต้องการดูเห็นแม้เช่นไฟไหม้รถชนกันเกิดอุบัติเหตุอะไรต่อะไรพวกไทยมุงมีสร้างปัญหาเยอะเลยทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกแต่ว่าเอาแค่จริงมันเป็นอาหารใจของเขาคือใจเขาได้อาหารรู้สึกสะใจรู้สึกสนุกรู้สึกเร้าใจรู้สึกตื่นเต้น วันข่าวคราวที่มีความรุนแรงือ ว, วันก่อนดูข่าวเกาบอกว่าเขาสร้างอะไรภาพยนต์เรื่องเผอนาะเบอร์มันนานเนึกเกินนะเรืงแต่เราเป็นเด็ ก, ดกมันมาตอกย้ําในเรื่องเหล่านี้แล้ว ก, กลายเป็นความรุนแรงหรือแม้แต่ที่เขาสร้างเราสร้างอะไรระบางริจจันก็ดีสุโยไทยก็ดีอจีตาก็ดีอะไรต่อะไรเนี่ยนะเวลนี้พม่าก็ดูด้วยกนะ็ดูเขาก็เห็นด้วย ไอ้โจงต่อประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตามนะฮะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำให้จิตใจคนเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าจะศึกษาเนี่ยมันน่าจะใช้หนังสือหรือใช้ภาพประยนตร์ขึ้นก็อย่างที่ว่ามันความรู้สึกไม่ดีมันก็เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายมันเป็นบทเรียนของประวัติศาสตร์ในชมหน้าประวัติศาสตร์ คือไม่ใช่เป็นเรื่องจริงคือว่าคนจริงนั่นแหละแต่มันตายหมดแล้วเรารุ่นลูกหลานใะห้ใช้เป็นบทเรียนดีกว่าแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตากรุณาคือยังคุยกันยังนึกกันอยู่เนี่ยว่าพ่อม่ากับเราเนี่ยมันพูดด้วยกันแล้วพูดค่อนข้างเคร่งไงคือแทนที่จะไปอะไรกัน ไปไหว้พระธาตุเวยดากองอะไรแต่ไรไปกันก่อนเดินมาคุยกยันไงชาวพุทธด้วยกันเนี่ยคุยกันแบบชาวพุทธได้ไหมล่ะเราธรรมะแบบพุทธพุทธเนี่ยเข้ามาคุยกั น, นทําไมจะต้องเบียดเบียนทําไมจะต้องทะเลาะ ก, กันทําไมจะต้องรบราู่ฆ่ากันไมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเพราะามันทำลายเศรษฐกิจทําลายสังคม แล้วก็มีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงกันดูใจลืมนะฮะว่าอันนี้มันมันมันเวี่ยงไปสู่วิหิงสานง่ายไปสู่การเบียดเบียนนง่ายเพราะาเรามีรอยช้ำในดวงใจกันอยู่พอสมควรแต่ถ้าใช้สติปัญญาใช้เหตุผลแยกแยะแล้วเนี่ยมันก็ควรจะหลีกหนีได้ มันไม่ใช่ยุคสมัยที่จะใช้กันในลักษณะนั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงปัญญาแล้วแต่นั่นแหละคือต้องมีปัญญาเข้ามากำกับความคิดเพื่อจะรักษาจิตให้ประกอบด้วยอวิหิงสาคือไม่เบดเปลี่ยนได้ต้องฝังทั้งหร่แต่ลวมพ่อทิาในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นครนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมึมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยถูวกันสวัสดี